ในหมู่มนุษย์จับโจรผู้ประพฤติผิดมาแล้วสั่งลงกรรมกรต่างชนิดบ้างหรือเขาลงกรรมกรอย่างไรเช่นโบยด้วยแท่เคยเห็นคนถูกเครียดไหมไม่เคยเห็นเคยแต่ถูกเครียดอย่างนี้ว่าทำไมเด็กๆ เ, เนี่ยวันไหนไม่ถูกเครียดเนี่ยโอ้พิเศษแล้วถ้าเกิดถ้เกิดเป็นพ่อเป็นแม่นะมีลูกแบบนี้เนี่ยโอ้พิถ้าเกิดถ้เกิดเป็นพ่อเป็นแม่นะมีลูกแบบนี้เน่วถากิดถเกิด่อเปนแมกันนี่ย ถูกโบยด้วยแฝ่บ้างถูกเคี่ยนด้วยหวายบ้างแล้วก็ถูกตีด้วยตะบองสั้นบ้างนะถ้าหากว่าบางประเทศเนี่ยเขาเอาขนาดนี้เลยคุณหมอยุพินเอาเอสมอมาถวายวันก่อนก็บอกว่าสมอลูกนี้นะถ้าเป็นโบราณนะไข่เนี่ยไปเก็บลูกหนึ่งเนี่ยถูกเคียนห้าครั้งเขาบ่างั้นถูกตีห้าทีสมอลูกนะเขาบอกมีต้นต้นอายุประมาณร้อยปีแล้วในในเชียงใหม่เราเนี่ยแต่ต้นตรงไหนเนี่ยไม่ได้ถาม แต่เป็นสมอที่กรอบก็ไม่มน่านะลูกหากเคียนห้าครั้งอะ่ะถ้าเป็น บ, บุมเมื่อก่อนนะแต่ตอนนี้ก็สงสัยมอยูพินไม่ถูกเขียนนะเอามาถวายตั้งหลายลูกอะ่ะนั่นแลยมันถ้าหากว่าผู้ที่มีความผิดนะในสมัยก่อนเนี่ยมีแต่เคียนมีแต่โบยมีแต่ตีเนี่ยหวดจนสลบอะ่ะสลบแล้วทำไงรู้ไหมเอาน้ํามารดเคียนใหม่นะให้มันครบตามที่กําหนดไหม แล้วเวลาเคี่ยนเวลาตีนะก็บางทีเรียกคนให้มาดูด้วยนะไม่ใช่เคี่ยนธรรมดานะเอาคนมาดูด้วยจะได้ประจานนะนะบางทีถ้าโจนสมัยก่อนบางทีเนี่ยสักหัวประจานเลยนะโกนแล้วก็สักนะผ่ า, ผานี่เป็นยี่ห้อโจนนะสมัยก่อนเนี่ยกฎหมายเนี่ยรุนแรงเพราะว่าปกครองโดยกษัตริยนะ์ะกฎหมายก็คือกษัต ร, ริย์นั่นเองกษัต ร, ริย์พูดคําไหนนะั่นแหละคือกฎหมายอย่างั้นหรือบางทีก็สั่งตัดมือบ้าง สั่งตัดเท้าบ้างต่างประเทศทุกวันนี้ยังมีนะลักษณะการตัดมือตัดเท้าตัดทั้งมือทั้งเท้าหรือบางทีก็ตัดจมูกตัดหูตัดทั้งหูตัดทั้งจมูกอย่างเงี้ยก็มีการทําอยู่นะอย่างประเทศทางตะวันออกกลางนะแล้วก็เขาก็มีการลงโทษที่ที่รุนแรงมาก น, นะถ้าหากว่าเป็นถ้าหาไปขโมยของใช้มือขโมยก็ตัดแขน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 เอามือเนี่ยนะมาพันผ้าแล้วก็จุดอ่ามาไลายไฟเนี่ยไม่ใช่เอ่อเอาผ้ามาชุบอะ่ะชุบน้ํามันแล้วก็จุดเหมือนฮนุมานะ่ะนะใครฟังรามเกียร์บ้างรามเกียร์ฮนุมานบอกว่าถ้าอยากฆ่าข้าพเจ้านะให้ท่านเอาผ้ามาพันพันตัวข้าพเจ้าชุบน้ํามันแล้วจุดไฟเผาเลยนะฮนุมานเขาแนะนําอย่างนั้นเสร็จแล้วฮนุมานเนี่ยแกล้งใช่ไเสร็จแล้วก็ไปเผากรุลงลังกาอย่างนันแต่อันนี้เนี่ย เอาน้ำมันมาชุบตัวเสร็จแล้วก็เผายังไงเขาเรียกว่ามาไลายไฟส่วนคบมือนั้นก็คือเอาผ้ามาพันแขนผ้าพันแขนเสร็จแล้วก็จุดให้มันสว่างตลอดส่วนริ้วสายานะริ้วสายก็คือนุ่งหนังช้างเป็นต้นเนี่ยนะนุ่งหมายคาอว่าถลกหนังมันนุ่งอะ่ะนะก็เหมือนกับเอาศพมาพิสูจน์ใช่ไหมถลกหนังออกอะ่ะ แต่นี่ให้ถลกหนังตัวเองนั่นแหละมันนุ่งคำนวณนุ่งเปลือกไม้หรือว่าริ้วสายหรือยืนกวางก็คือยืนแบบกวางที่ที่สมมติวันนายพรานนี่เขาเอาเป็ฆ่ากวางได้ตัวใช่ไหมเขาก็จะมัดเอาไว้ตรงกลางเสร็จแล้วก็จุดไฟรอบให้มันสุกโดยรอบอนะอันนี้ก็เหมือนกันคล้ายๆค่อยๆลนไฟรอบๆให้มันสุกเข้าข้างในหมดเลยเขาก็มีวิธีการลงโทษที่รุนแรงมากสมัยก่อน หรือบางทีก็เกี่ยวเยือเบ็ดนะก็คือเอาเบ็ดนี่นะโยนเข้าไปถูกแลก็ดึงกระชากออกมาใช่ัหมกระชากถูกเนื้อเนื้อก็หลุดกระชากถูกหนังหนังก็ขาดกระชากถูกส่วนไหนก็หลุดไปตามนั้นแหละหรือเหรียนกระสาบเหรียญกระสาบก็คือปาดเนื้อออกทีละชิ้นสองชิ้น3มชิ้น4ชิ้ น, นเหมือนกับนางมาคันธยาพระเจ้าอุเทนเนี่ยสั่งให้ปาดเนื้อแล้วก็ตั้งกระทะทอดทอดเสร็จให้กิน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 ขัดไปทิง้งโขวักหมึงเข้าไปเนอะเลือดในไหลาอาบเลยเนะไม่อยากนึกกันนะหรือกลางเวียนกลางเวียนนี่ก็คือวนลิ่มกลางเวียนก็คืออะไรเอาให้นอนคว่มลงใช่ไหยนอนตะแคงเสร็จแล้วก็เอามาเอาเหล็ก ย, วยาวๆนี่มาตอกลงไปแล้วก็ให้หมุนเหมือนนาฬิกาอัน้น เ, เรียกว่ากลางเวียนส่วนต่างฟาง ตางฟังนั้นท่านอธิบายว่าเป็นการอ น, นี้นึกคําอธิบายไม่ออกเลยส่วนไอ้ข้อยีสามเนี่ยชัดนะนะราดด้วยน้ำมันเดือดๆนะเวลาทอดอะไรสักอย่างหนึ่งนะน้ำมันมากระเด็นมาถูกก็หยดสองหยดนี่ก็แสบเนาะแต่ทีนี้ถ้าหากว่าน้ํามันเดือดๆเนี่ยนะแล้วมาตักอาบเหมือนน้ำนี่จะว่าไงลดไปตรงไหนพองตรงนั้นเลยเนาะ หรือว่าให้สุนัขทึ้งนะก็คือให้หัดหัดให้สุนัขเนี่ยมันกินสับเป็นเป็นเนี่ยนะเสร็จแล้วเอาตัวแบบตัวใหญ่ๆพันตัวใหญ่ๆเลยเสร็นะจแล้วก็ให้มันกินทึ้งคนเนี่ยหรือว่าให้นอนหงายบนหลาวทั้งที่เป็นเป็นนะทจริงก็ตัวอย่างนะก็คือถ้าเป็นสมัยก่อนนะอ่าเขามีเอาไม้เสดาหรือว่าไม้ไมตะเคียนอันนึงเนี่ยมาลับแล้วก็เสียถาวารหนักอ่านะ แบบเหมือนกับเสียบมแมลงตองงั้นนะ่ะทิ้งไว้ไม่ตายนะโอโ้โหบางคนเนี่ยอยู่ได้เป็นครึ่งเดือนอะ่ะนะมันค่อยค่อยเน่าไปเรื่อยตายไปเรื่อยเสียบประจานพูดได้กินข้าวได้แต่ไม่ตายนะก็อยู่อย่างนั้นแหละก็เสียบถาวรโอ้ลังหลายวันอะ่ะกว่าจะตายอ่ะนั่นแหละนะนะหรือว่าตัดด้วยเอาดาบมาตัดหัวบ้างนะเคยเห็นเขาลงโทษแบบนี้ไหมว่างั้นถ้าเป็นลงโทษแบบสมัยใหม่นะงอย่างตำรวจบางท้องที่เนี่ย สอบสวนผู้ร้ายก็ด้วยการเลี้ยงจระเข้ย่างไงบอกหรือไม่บอกออไม่บอกก็ไม่เป็นไรไปอยู่กับจระเข้ก็แล้วกันนั่นแหละเขาก็มีการลงโทษถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยโหผู้ต้องขังบางคนเนี่ยนะอ้วมไปทั้งตัวเลยแหละนั่นแหละมันเคยเห็นไหมในลักษณะนั้นเนะ่ะถ้าสมัยนี้ไม่ต้องเอาแบบนั้นนะเคยเห็นรถมันชนกันไหม <c oughs> แขนขาขาดเนี่ยกระลั่งกระแลงมาเนี่ยเคยเห็นไหมอย่างเงี้ย พญายามถามอย่างนี้ว่าดูก่อนพ่อมหาจำเริญท่านนั้นรู้ความมีสติผู้ใหญ่แล้วมีความคิดอย่างนี้ไหมจําเริญละเป็นอันว่าสัตว์ที่ทํากรรมอลาโ ม, มกไว้นั้นน่นนะย่อมถูกลงกรรมกรต่างชนิดเห็นปานนี้ในปัจจุบันจากป่วยกล่าวไปใหญถึงชาติหน้านะขนาดเขาทําชั่วแค่ในชาตินี้เขายังทุกทรมานขนาดนี้แล้วชาติหน้าต่อๆไปเขาจะทุกขนาดไหนควรที่จะพยายามกระทําความดีทางกายทางวาจาและ ทางใจ αι, ควรที่จะรีบทําบุญทํากุศลไว้โอ้โหขนาดกรรมในชาตินี้มันให้ผลยังเจ็บแสบปวดร้อนขนาดนี้ถ้าหากว่าไปเกิดในชาติต่อๆไปกรรมเหล่านั้นมันให้ผลจะไปนสนุกอะไรเนาะนั่นแหละเพราะฉะนั้นที่จริงเขาก็เป็นเขาเตือนอะนะเขาเตือนว่าในฝ่ายกรรมกรสามสิบสองก่อนย่อมกล่าวอย่างนี้โดยอาถรวาพวกเราเมื่อบังเกิดย่อมไม่บังเกิดที่ต้นไม้หรือแผ่นดิน าการลงโทษเนี่ยเขาลงโทษแผ่นดินไหมหรือว่าลงโทษต้นไม้ไม่เนอะย่อมบังเกิดในสรีระของคนเช่นท่านด้วยประการชนี้เวลาเขาเคียนเนี่ยเขาไม่ได้เคียนต้นไม้ใช่ไหมก็เคียนคนนั่นแหละเพราะฉะนั้นท่านจงทําความดีไว้ก่อนเราเกิดเพราะเหตุนั้นกรรมกรเหล่านั้นจึงชื่อว่าเทวทูตแม้ผู้ลงโทษย่อมกล่าวอย่างนี้โดยอัตถะว่าพวกเราะนะไอพ้พวกพวกคนเจ้าหน้าที่ลงโทษอ่นนะ พวกเราเมื่อจะลงกรรมกร32สองอย่างไม่ได้ลงที่ต้นไม้ในที่เคี่ยนหรือฆ่าตัดเป็นต้นไม่ใช่ตัดต้นไม้ย่อมลงในสัตว์อย่างพวกท่านนี่แหละด้วยประการชนี้พวกท่านจงทําความดีก่อนที่เราจะลงโทษนะมันรีบทําบุญทํากุศลไว้เถอะผลกรรมประเภทเนี้ไม่ใช่ว่าจะพน้นนะอย่างอย่างบางประเทศเนี่ยโหถูกทุบถู ก, ถ ก, ถ ก, ถ ก, ถกตีถูกเคี่ยนถูกเตะถูกต่อยอ่าถ้าเป็นถ้าเป็นลักษณะแบบ คนที่เที่ยวงานประเภทคล้ายๆกับงานวัดอย่างเงี้ยเวลาไปเที่ยวเนี่ยนะโหถูกรุมสกรรมเนี่ยโย่ไหมคนละไม้คนละ ม, มือคนละตุบคนละตับเข้าไปเนี่ยหน่วมไปทั้งตัวแหละปางตายนี่แหละโทษเนี่ยเกือบตายอลไรก็มีแต่ทีนี้ทุกวันเนี่ยนะไม่ต้องให้ใครมาซ้อมเนี่ยมันกระส่มันซ้อมเองอ่ะอันนั้นนั้นในโครมไปเนี่ยหน้าบิดปากเบี้ยวจมูกแหว่งเลยแหละไม่ต้องใครลงโทษแล้วะเพราะฉนั้นแต่ละอย่างแต่ละอย่างเหล่านั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ ไม่น่าไม่น่าปาถนาะนะแต่สัตว์ส่วนใหญ่พอเห็นอย่างนั้นก็ไม่ใช่เราสบายเลยยิ้มแป้เลยนะมันก็ไม่ใช่เราอะ่ะไม่ใช่ลูกเราอะ่ะทางอีสานเขาบอกว่าถ้าจะซื้อรถเครื่องให้ลูกสักคันหนึ่งนะเตรียมเสื้อลงไว้ด้วยสักอันหนึ่งอย่างเงี้คือคือหมายว่านิสัยลูกที่ไม่ค่อยดีอ่ะนะรากลักษณะบิดซ่าด น, นะเขบอกว่ามอเตอร์ไซค์อยู่ทางนี้เนี่ยท้ายซอยเนี่ยได้ยินหมดเลยอะ่ะหัวซอยท้ายซอยนีย่ดังเลยอะ่ะบิดมาทิง้งแป้เนี่ย ขับนี่มีแต่ร้อยขึ้นไปอ่ะร้อยสองรอยบางทีไปไปเร่งเกียร์ให้มันสูงขึ้นอะ่ะนั่นก็ประมาทพอประมาทเสร็จแล้วนะบางคนเนี่ยพิการพิการเสร็จใครเลี้ยงพ่อแม่นั่นแหลนะนายพญายมก็กล่าวอย่างนี้ว่าดูกรพ่อมหาจำเริญท่านไม่ได้ทําความดีก็คือหมายถึงตายไปแล้วนะชีวิตหลังตายไปแล้วบอกว่าทางกายทางวาจาทางใจไว้เพราะประมาทเสีย เหล่านายเรือาบาลจักลงโทษด้วยอาการที่ท่านประมาทแล้วก็บาปกรรมนั่นแลไม่ใช่พ่อแม่พี่น้องชายพี่น้องหญิงมิตรอมาตย่าสาโลหิตสมณะพรามไม่ใช่เทวดานี่ทําให้ท่านตัวท่านเองทําเข้าไว้เพราะฉะนั้นท่านจักเสวยวิบากของกรรมอันนี้ น, นี่ดูกรพิสูจน์ทั้งหลายพยายมครั้นปลอบโยนเอาอกเอาใจแต่าถามถึงเทวทูตที่กสกษัตรย์ลั้นแล้วจึงปลอบโยนเอาอกเอาใจแต่าถามถึงเทวทูตที่ห้าว่า ดูก่อนพ่อมหาจำเริญท่านไม่ได้เห็นเทวทูต ท, ที่ห้าปรากฏในหมู่มนุษย์หรือสัตว์นั้นบอกไม่เคยเห็นเลยเจ้าค่ะทำอะไรอยู่เนาะไม่เคยเห็นเลยอะพญายมก็ถามอย่างนี้ว่าดูก่อนพ่อมหาจำเริญท่านไม่ได้เห็นหญิงหรือชายที่ตายแล้ววันหนึ่งหรือสองวันหรือสามวันขึ้นพองเขียวช้ำ ม, มีน้ำเหลืองเยิ้มในหมูมนุษย์หรือเห็นป่าวันที่โรงงานลำไยระเบิดตึมกันมานะเก็บเนื้อได้หลายกระสอบนะ อย่างเราอมาแย่งเนื้อกันต้องตัว d ดีเนหรือเปล่า <laughs> แย่งสบอะ่ะ <laughs> ที่เคเห็นไหมแบบนั้นอะ่ะเห็นทุกวัน เ, เนอะแต่ก็ไม่ใช่เราอะ่ะเลยไม่คิดอะไรใช่ไหมพยายมถามอย่างนี้แล้วก็กล่าวว่าดูก่อนพ่อมหาจำเริญท่านนั้นรู้ความมีสติเป็นผู้ใหญ่แล้วได้มีความ ด, ดังนี้บ้างไหมว่า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 พวกท่านจงดูเราที่เขาทิ้งไว้ในป่าช้าผีดิบถึงความเป็นผู้ขึ้นอืดเป็นต้นนะคุณมูชตอนที่อยู่โรงพยาบาลเห็นแล้วคิดยังไงบ้างตอนนั้นเดินผ่าน่าเดินผ่านทุกวันเลยครับคิดไงบ้างไม่ได้คิดเลยไม่เป็นไรเนาะเพราะฉะนั้นสัตว์ผู้ตายนั้นจึงถือว่าเทวทูตอัน น, นถามว่าใครนี่ได้ประโยชน์ของเทวทูตนี้ใครไม่ได้ ใครเนี่ยได้รับคำถามแบบนี้บอกว่าผู้ใดทํากรรมมากผู้นั้นไปเกิดในนรกเลยนะชั่วมากก็ไม่ต้องผ่านตำนักพญ ย, ยมเหมือนกันแต่ผู้ใดทําบาปกรรมนิดหนึ่งนะนิดหน่อยนะผู้นั้นย่อมได้ก็เหมือนกับว่าบางคนเนี่ยต้องผ่านการสืบสวนก่อนบางต้องบางคนไม่ต้องไม่ต้องสอบสวนเลยอะ่ะทีนี้กล่าวต่อไปว่า พยาลมกล่าวอย่างนี้ดูก่อนพ่อมหาจำเริญท่านไม่ได้ทําความดีทางกายทางวาจาทางใจไว้เพราะมัวประมาทเสียดังนั้นเหล่านานยเรียนบาลจักลงโทษโดยอาการที่ท่านประมาทแล้วก็บา ป, ปรกรรมนี้นั่นแหละไม่ใช่มารดาทําให้ท่านไม่ใช่บิดาทําให้ท่านพี่ชายน้องสาวพี่ชายน้องชายพี่หญิงน้องหญิงมิตรอมาตย่าสลาโลหิตสมณะพราหมณ์ไม่ใช่เทวดาตัวท่านเองทําเข้าไว้ท่านเท่านั้นจักเสวยวิบากของบา ป, ปรกรรมอันนี้ ดูการพิสูจ์ทั้งหลายพยายมครั้นปลอบโยนเอา อ, อกเอาใจไตาถามถึงเทวทูต ท, ที่5กษัตริย์เหล่านั้นแล้วก็นิ่งอยู่สังเวชใจโอตว์ทั้งหลายเป็นไปตามกรรมจริงๆนะที่จริงเขาก็ไปเพื่อที่จะดักถามคือตรงนี้นะข้อความในอัตถกถาท่านอธิบายดีเปิดดูหน้า205นะนะนับลงประมาณ 4-5 หบรรทัดนะนะก็ผู้มีบา ป, ปรกรรมนิดนึงว่า คือคนที่ทำบาปไม่มากะนะย่อมระลึกได้ตามธรรมดาของตนแม้ถูกเขาให้ระลึกก็ระลึกได้ในข้อนั้น ม, มีทมินชื่อว่าทีฆาธันตะทีฆานี่แปลว่ายาวทันตานี่แปลว่าฟันนะชาวทมินคนหนึ่งในฟันยาวอะระลึกได้ตามธรรมดาของตนได้ยินว่าทมินนั้นเขาเอาผ้าสีแดงบูชาอากาศเจดีย์ในสุมาณคีรีวิหารครั้งนั้นเขาเกิด ใกล้อุสุธนรกได้ยินเสียงเปลวไฟและลึกถึงผ้าที่ตนบูชาไว้จึงไปบังเกิดในสวรรค์พอระลึกถึงความดีปั๊บจุติทันทีเลยปฏิสนธิในพบใหม่ถือได้คตินิมิตและได้ได้กรรมนิมิตอันนะีอีกคนหนึ่งเนี่ยถวายผ้าเนื้อหยาบแก่พิสุหน่มผู้เป็นบุตรวางไว้ใกล้เท้าในเวลาใกล้ตายเขาถือนิมิตในเสียงปะตะปะตะแม้เขาเกิดใกล้อุสุธนรกอนะอุสุธานรกเนี่ย ระลึกถึงผ้านั้นเพราะเสียงเปลวไฟจึงไปบังเกิดบนสวรรค์นะปฏิสนธิทันทีเลยวัดเดียวนั่นแหละอะาเขาระลึกถึงกุศลตามธรรมดาของตนก่อนอย่างนี้จึงบังเกิดบนสวรรค์แต่เมื่อระลึกถึงตามธรรมดาของตนไม่ได้จึงถามเทวทูตที่ทั้งหในเทวทูตทั้งหนั้นบางคนระลึกได้ด้วยเทวทูตที่หนึ่งะได้เหตุสังเวชอย่างใดอย่างหนึ่งทำบุญเนะ บางคนระลึกได้ด้วยเทวโทษที่2เป็นต้นคือบางคนที่สองที่สามที่4หรือที่หส่วนผู้ใด ย, ย่อมระลึกไม่ได้ด้วยเทวทูตทั้งห้าพยายมให้ผู้นั้นระลึกได้เองได้ยินว่าอมาตคนหนึ่งบูชามหาเจดีย์ด้วยหม้อดอกมะลิแล้วก็ได้ให้ส่วนบุญแก่พยาลมทําบุญเสร็จก็อุทิศให้พยายมด้วยนะ นายเนียาบาลก็นําอำมาตผู้เกิดในนรกเพราะอากุศลกรรมไปหาพยาลมเมื่ออมาตนั้นระลึกไม่ได้ด้วยเทวโทษทั้งห้าพยาลมก็ตรวจดูเองเห็นแล้วให้ระลึกว่าท่านบูชามาหาเจดีย์ด้วยหม้อดอกมะลิแล้วแผ่ส่วนบุญให้เราไม่ใช่หรือเขาละลึกได้ในเวลานั้นแล้วก็ไปสู่เทวโลกแต่ว่าพยายมแม้ตรวจดูเองก็ไม่เห็นดำริว่าสัตว์ผู้นี้จักเสวยทุกใหญ่จึงนิ่งเสีย คือเห็นแล้วนี่ตกนรกง่างๆเลยนะช่วยไม่ได้แล้วคะสามเนี่ยหมดสิทธิ์ที่จะช่วยเลยอ่ะเยียวยาไม่ได้ต่อจากเมื่อกี้ว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายเหล่านายนิรยาบาลจะให้สัตว์นั้นกระทำเหตุชื่อว่าการจองจำห้ประการจองจำห้ประการก็คือตรึงตะปูเหล็กแดงที่มือข้างที่หนึ่งนะก็คือคะเอาไปติดข้างฝ้าใช่ไก็เอามือ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 เหล่านายนเรียาบาลจับจับสัตว์นั้นอนะ่ะเข่งผืดแล้วเอาผึ่งถกักนะว่าเอามาดึงดึงนั่นแล้วก็ถากถากัถกถักถักมันไม่ได้เหมือนถากไมเนะ้เนาะแล้วก็จะจับสัตว์นั้นเอาเท้าขึ้นข้างบนเอาหัวลงข้างล่างแล้วก็ถากด้วยพระก็เหมือนกับเคยเห็นเขาเอาสมมติว่าไปตลาดเนื้อเนะเขาจะเอาขาวัวใช่ไหมแขวนขึ้นแล้วก็ถากลงนะนั่นแหละอันนี้แต่ไม่ใช่ไม่ใช่เนื้อวัวนะโคตเป็นสัตว์อะ จะเอาสัตว์นั้นเทียมรถแล้วให้วิ่งกลับไปกลับมาบนแผ่นดินที่มีไฟติดทั่วลุกโผล่โชตช่วงโอ้ยอย่าว่าแผ่นดินที่มีไฟไหม้เลยอ่ะนะของนรมาเนี่ยเคยสมมติเรเดินเมษาเนี่ยถอรองเท้าเดินอ่ามีครั้งที่แล้วเนี่ยกลับจากเชียงใหม่เนี่ยเข้าไปที่กรุงเทพทีนี้ไปเดินไปขึ้นรถเมย์นี่มันกลางวันเที่ยงพอดีเลยโอ้ยเดินบนปูนที่มันร้อนๆ อ, นอะ่ะพอดีเลยโอถ้าเดินอีกชั่วโมงหนึ่งเท้าสุกแน่นอนเลย มันร้อนน่าดูเหมือนกันทีนี้บางบางครั้งเนี่ยนะไปเดินในทรายที่มันร้อนๆเนี่ยโอเทา้า เ, เนี่ยสุกเลยนะมันต้องพอระยะหนึ่งเนี่ยมันพองข้างในหมดเลยเดินเนี่ยเหมือนกับคนมีแผลเดินน่ะเต็มเต็มเต็มเมท้างั้นอย่าทีนี้สักนรกนี่ก็เหมือนกันนะของเราเนี่ยมันเล็กน้อยเหมือนกนแต่ในนรกเนี่ยมันเรียกว่าไม่ได้อยู่ก็นึกภาพไม่ออกกันเนะ จะให้แล้วก็นานิรยาบาลจะให้สัตว์นั้นอนะปีนขึ้นปีนลงซึ่งภูเขาฐานเพลิงลูกใหญ่ที่มีไฟติดทั่วลุกพลงโฉดช่วงจะจับสัตว์นั้นเอาเท้าขึ้นข้างบนเอาหัวลงข้างล่างแล้วก็พุ่งลงไปในหม้อทองแดงไม่สนุ ก, กนะเนาะนะถูกต้มนะหม้อทองแดงที่มีไฟติดทั่วลุกพลงโฉดช่วงสัตว์นั้นจะเดือดพล่านเป็นฟองอยู่ในหม้อทองแดงนั้น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 ไม่ตายง่ายๆนะคือพูดถึงตรงนี้นะบอว่าเขาบอกว่าเอ๊ะมันจะเป็นจริงหรือเปล่าวางั้นนะก็บอกว่าถ้าอยู่ในบางประเทศบางท้องถิ่นเนี่ยมันเป็นลักษณะนี้แหละไม่ต้องไปเป็นตกนรกหรอกบางทีก็ถูกต้มนั่งเป็นๆนั่นแหละเป็นมนุษย์เป็นๆเนี่ก็เอาเขาต้มเหมือนกันนะั่นแหละทีนี้ว่าบางคนเนี่ยอยู่ในโลกที่มันแคบๆนะไม่ได้มองรอบกว้างๆบางทีกบเขียดก็เหมือนกันเนี่ยบางทีเขาก็ต้มแบบเป็นๆนั่นแหละ นั้นถ้าไปเกิดเป็นกบเป็นเขียดนี่ก็ลำบากเหมือนกันทีนี้อันนี้ที่ว่าไปนี่มันยังไม่เท่าไหร่นะ